จิตใจของเราแต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาเศร้าหมองบางวันตื่นขึ้นมาหดหู่เนี่ยแต่และวันไม่เหมือนกันแต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันนะวันเดียวกันนี่แหละเช้าสายบ่ายเยน็นความรู้สึกไม่เหมือนกันหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นได้ทีละขณะทีละขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิมขณะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิม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 จริงหลวงพ่อหัดภาวนามาตั้งแต่7ขวบหัดสมถะหายใจเนี่ยอยู่22่สิบปีต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกไม่มีครูบาอาจารย์สมถะไปเรียนจากท่านพ่อรีวันโศการามนะเมื่อปีศูนยตอนนั้นยังเด็กเจขวบเองพ่อแม่ไม่ค่อยพาไปหรอกนั่นะนะนะได้ไปก็ได้เรียนนิดเดียวเลยได้เรียนมาแต่สมถะหายใจเข้าหายใจออกนะ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 เช่นกิเลสแรงๆไหลออกมาแว๊บมันรู้เองไม่ต้องเจตนาจะรู้ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ติดเฉยก็แล้วกันมีความเฉยเกินจริงมานิดนึงรับนวัตกรรมแค่นี้ครับผมรบบนวัตการเจ้าค่ะเรียนถามนะคะว่าเวลาดูจิตดูกายนะคะดูกายบางทีจะรู้สึกเหมือนกับร่างกายมึนๆอยู่ในเนี้อสะในกายเนียค่ะ ไม่ทราบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ๊ะหลวงพ่อไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าปฏิบัติถูกไหมคือว่าเวลาดูดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูกายนะคะพอดูกายรู้สึกจะเห็นาบางทีก็มือบทีก็กายเนี่ยไหวๆอยู่ข้างในอะคะอ่ะค่ะก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมจ๊คะคะ่ะการดูกายเนี่ยนะคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูร่างกายนีกายาคําว่ากายในกายานุปัสสนาเนี่ยแปลว่าที่ประชุม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 ดันั้นใจก่อนที่เราจะไปรู้กายได้จริงนีใจจะต้องตั้งมัน่นนะเพราะคนที่จะฝึกรู้กายได้ดีจะทิ้งสมาธิไม่ได้สมาธิมันทําให้จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเช่นเราหัดพุตโธหรือหัดรู้ลมหายใจโยมใช้กรรมฐานอะไรล่ะพองยุบเจ้าค่ ะ, ะดูพองยุบไปนะสังเกตไหมท้องที่พอ ง, องท้องที่ยุบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตรงนี้ดูออกไหมเดี๋ยให้มีจิตเป็นคนดูอยู่ตาหากนะเดี๋ยวให้แยกอย่างนี้แยกกายแยกใจไปด้วย คราวนี้กายจะพองกายจะยุบกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเแต่ถ้าจิตของเราไหลเข้าไปแนบอยู่ที่ท้องคราวนี้มันจะไม่เห็นอะไรมันจะนิ่งๆเดี๋ยวจะเกิดอาการหอกสมถะเช่นขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงอะไรพวกนี้นั่นเป็นอาการของปีติเนื่ใจโยมไหลแวบไปแล้วทราบไหมหนีแวบไปเลยมัหนีไปคิด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 นะคือส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมาพอเราคิดเรื่องปฏิบัติปุ๊บเราจะต้องทําใจให้นิ่งติดปกติเล็กน้อยเนะื่อตัวเนี้เราเกินขึ้นมาเราต้องการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงเขานะนี้เราชอบดัดแปลงเพราะว่าเราคิดว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกปฏิบัติแปลว่าทำจะต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดาเพื่อวันหนึ่งจะได้ธรรมะที่ไม่ธรรมดาความจริงธรรมะนะธรรมดาที่สุดเลยนะ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 โอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังยากอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติและการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันไม่แบ่งแยกออกไปนะมันจะใกล้ลใกล้ต่อมรรคผลนิพพานหลวงพอยกตัวอย่างอยู่ที่เมืองเมืองชนนะมีเด็กมาถามว่าเดินจงกรมเดินยังไงหลวงพ่อบอกอให้ออกมาเดินโชว์หน้าชั้นอย่างเงี้ยคนเยอะๆนะคนเยอะๆเด็กก็เดินออกมาเขาแหวกคนออกมาเรื่อยๆ หลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้แล้วขณะนี้เดินแล้วนะทําไมไม่รู้สึกตัวนะต้องคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเดินมาถึงหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มนับเวลาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นตอนที่แหวกคนเดินออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยไม่ต้องมีสติก็ได้นี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเราต้องไม่แบ่งแยกชีวิตแล้วว่าเวลานี้หมดเวลาปฏิบัติแล้วนะแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะ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 นะดัดแปลงกายดัดแปลงใจละที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกนี่คือความสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งคือหลงไปเลยข้างหนึ่งก็คือบังคับตัวเองนะการปฏิบัติจริงๆเป็นอันเดียวนะมีสติเมื่อไร่มีการปฏิบัติเมื่อนั้นเพลอเมื่มอไหรมักขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นอย่างขณะนี้ยอมลืมกายลืมใจตัวเองแล้วทราบไหมป็นลืมตัวเองไปแล้วมวัวดแต่ไปคิดเอานะ แต่ไปคิดเอารู้เรื่องที่คิดเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจเมืนั้นแล้วก็ไปเพ่งเอานะก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วแต่เป็นการเพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกันนะเพ่งกายเพ่งใจมันเกิดจากอยากปฏิบัติล้อ ล, ลงมือไปจ้องไวนะ้ไปดักดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้กายรู้ใจเนี่ยไม่มีความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนรนะ่างกายหรือจิตใจเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วสติระลึก ข, ขึ้นมาได้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 คุณรู้สึกไหมมันเกิดจากเราอยากปฏิบัติก่อนเพราะเราอยากปฏิบัติเนี่ยนะความอยากปฏิบัติจริงๆเป็นตัวกิเลสเสร็จแล้วเราก็เกิดการกำหนดการกำหนดเนี่ยเราทำไปเพราะว่าเราอยากปฏิบัติใช่ไหมเพราะนั้นการกำหนดเป็นการกระทำกรรมเราเรากำหนดไปเราจงใจไปรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรเนียเพราะว่าเราอยากปฏิบัติแล้วก็เกิดการจงใจกาหนดตัวการจงใจกาหนดคือการกระทากรรม แล้วเราก็ไปคอยรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราสักว่าเรารึกรู้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนเช่นมีความคิดผุดขึ้นมาในใจเรามีกิเลสผุดขึ้นในใจเราสติระลึกได้เองโดยไม่ได้กำหนดเราจะไม่ได้รอดูนะถ้ากำหนดจะเป็นการจะรอดูไว้ก่อนนะกิเลสเนี่ยมันจะทาให้เกิดการกระทากรรมมีกรรมแล้วมีวิบาก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 ฟังเรื่อยๆไปมีคนที่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสภาวะธรรมขึ้นมาจำนวนไม่ใช่คนสองคนนะมีไม่รู้กี่ร้อยคนลนะนับไม่ถูกเพราะฉะนั้นฟังแต่ละครั้งสติปัญญาของเราจะไม่เหมือนเดิมเราฟังครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งนานๆปฏิบัติไปนะแล้วมาฟังอีกทีหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกเะั้นฟังได้เรื่อยๆน ะ, ะเชิญยม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 เป็นจิตที่หลงทางใจดังนั้นถ้าหากเรารู้ทันพระใจไหลไปคิดแวบบรู้ทันเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยแล้วแว บ, บเดียวนะก็จะไหลไปคิดอีกแล้ ว, ลวก็รู้อีกไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้คิดน ะ, ะถ้าฝึกให้ไม่คิดแล้วก็เสียคุณภาพของจ <c oughs> ิตใจหมดเลยกลายเป็นก้อนหินไปแล้วะคิดไม่เป็นแล้วหนูควรจะทํายังไงต่อคะควรรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะหนูอย่าไปทําอะไรขึ้นมานะ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 ไปคิดว่าชีวิตมีอันเดียวรวดความจริงชีวิตของเราคือหนึ่งขณาดจิตในปัจจุบันต่างหากในขณะที่กําลังออกเรือไปเราเป็นลูกเรือเพราะนี้เราไม่ได้คิดเรื่องจับปลาเราก็คิดพุดโทโธไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องขอ ง, องยุบไปสิขณะนี้ยังไม่ได้ทําผิดศีลนี่ก็เอากุศลไว้สิคนละเวลากันนะต้องแยกให้ออกแต่ไม่ใช่บอกเคล็ดลับอันนี้แล้วไปทําชั่วได้นะเดี๋ยวบอกทำชั่วแล้วไม่คิดซ้ําไม่บาปไม่ใช่นะบาปนะ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 ความฟุ้งซ่านเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจอยู่ทางหากใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถ้าอย่างนี้ก็หายฟุ้งซ่านอันที่สองทำสมถะถ้าทำสมถะอะไรไม่ได้นะท่องพุโทโธไว้ก็ได้นะให้ใจไปเคล้าอยู่ในอารมณ์ันเดียว อ, อย่างต่อเนื่องใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะมีให้เลือกนะอย่าทำอะไรก็ได้คือกรรมฐานมีเยอะแยะขั้นแรกสุดเลยใจฟุ้งซ่านอย่าไปเกลียดเขานะ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 เวลาที่เรามาระลึกรูก้จิตหรือกู้รู้กายเนี่ยกับผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเนี่ยไปเพ่งหรือไปภาค ก, กับให้กับตัวเองหรือเปล่าอย่า ง, งเพ่งอยู่อย่างขนาจิตนี้ก็ยังเพ่งอยู่ด้วยออกไหมขนาดจิตเนี้ยนะเราก็ยังติดเพ่งอยู่ ค, คุณต้องลดความจงใจปฏิบัติลงนิดนึงนะแต่ไม่ขี้เกียจนะทําไปเรื่อยนะจะดูท้องพองยุบจะอะไรเคยทาอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อย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 นี่เราเริ่มหัดรู้รูปแล้วนะเราเห็นว่ารูปหายใจเข้ารูปหายใจออกไม่ใช่เราหายใจแล้วหรือเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศล ก, ก็รู้อันนี้เป็นการหัดรู้นมามธรรมรู้จิตรู้ใจเนี่ยพอหัดอย่างนี้มากเข้ามากเข้ า, ขาจิตจําสภาวะได้พอจิตจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองนในพระพิธรรมสอนบอกว่าเหตุใกล้ของสติเหตุที่ทําให้สติเกิดได้ง่ายเนี่ย ชื่อว่าธิระสัญญาท้อถุงสระอิรอเรือธิระทีะท่แปลว่าสถีเยนธิระสัญญาการจําสภาวะได้แม่นเพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องหัดรู้สภาวะจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้แม่ น, นถ้าไม่รู้สภาวะอะไรมากมายนะรู้อันเดียวก็พอรู้ว่าจิตนี้ไปคิดและจิตนี้ไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างจิตที่เป็นกุศลกากุศลอกุศลเกิดบ่อย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 ท่านฝากประตูโคร้อมออกมาก่อนเราอีกนะกุฏิก็อยู่ใกล้กันเพราะรักหลวงพ่อนะเปิดประตูพวดชี้หน้าเลยพระมอภาวนาไม่ได้เรื่องเลยเล่นเราก่อนนะเราก็บอกก็หลวงพ่อแหละมาสอนให้ผมดูตัวผู้ดูนี่ท่านบอกไม่ได้สอนซะหน่อยะท่านบอกว่าอย่าถลําลงไปดูอย่าถลําตามอารมณ์ไปนี่บอกแม่แล้วทําไมไม่บอกอย่างนั้นน่ะมาบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่จิตนี่เราก็เลยนึกว่าให้ดูจิตคือดูผู้ดูนะดูผิดนะ